มีการสอบถามผู้สูงวัยหรือผู้เฒ่าเนีเรื่องาการ80ปีขึ้นไปทั้งหญิงทั้งชายว่าถ้าว่ามองย้อนกลับไปยังอดีตเนี่ยมีอะไรบ้างที่คุณอยากจะทําให้น้อยลงหรือว่าทําให้มากขึ้นก็มีหลายคนนะบอกนะถ้าย้อนกลับไปได้ น, นี้ก็อยากจะสูบบุหรี่ให้น้อยลงกินเหล้าให้น้อยลงหรือว่า สำเบลเทมเาให้น้อยลงแต่ที่บางคนบอกว่าเนี่ยอยากจะออกกําลังกายให้มากขึ้นอันนี้ก็คงเดาได้นะว่าคนที่ตอบอย่างนี้นะเพราะว่าร่างกายเจ็บป่วยเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจบ้างโดยโรคปอดบ้างหรือว่าโรคตับแข็งบัง่งหรือว่าโรคเบาหวานแต่ว่าแล้วคนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเลยนะหรือว่าเจ็บ ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพื่อจะรวมถึงคนที่เจ็บป่วยด้วยก็ได้มีสิ่งหนึ่งที่พูดคล้ายๆกันก็คือว่าอยากจะหุดหงิหัวเสียกับเรื่องไม่เป็นเรื่องให้น้อยลงอันนี้เป็นความเห็นของคนสูงวัยผู้เฒ่าจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะก็พบว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมานีนนปล่อยให้ใจเนี่ยไปเป็นทุกข์เจนโมโหแค้นเคืองเดือดดาลกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องรวมถ้งอาจจะหงุดหงิดหัวเสียกับเรื่องจิตจอยขึ้นมาก็ส่งผลตามมาต่อชีวิตของเขาเช่นบางคนก็จะโมโหเพื่อนบ้านที่ชอบเปิดเพลงดัง ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นซ้ําๆกันก็ถึงขั้นทะเลาะบบาแว้งกับเพื่อนบ้านทั้งที่เขาก็เอื้อเฟื้อหรือว่าเขาก็มีน้ําใจในหลายเรื่องหรือว่าเขาจะหูตึงเลยเปิดเพลงดังหรือบางคนก็อาจจะแข่งเคืองเพื่อนโรงงานที่ วิพาวิจาร์เขาในที่ทำงานทําไม่เสียหน้ า, าทั้งที่ไอที่เขาวิจาร์มามันก็ถูกแต่ว่าตอนนั้นก็โมโหโกรธามากจนกับประกาศตัดเพื่อนหรือบางทีก็บางคนก็ไปแ้นคู่ครองโมโหคู่ครองน้อยใจคู่ครอง ลืมวันเกิดนอกจากแม่เอาของขวัญมาให้แล้วก็ยังกลับบ้านดึกนะเพราะว่าเอาแต่ทำงานเขาก็ลืมก็โกรธน้อยใจต่อว่าด่าทอบางคนก็อาจจะโกรธลูกนะที่ไม่คอยมาเยี่ยมเยือนเท่าไหร่ ไม่ค่อยมาสนใจไต่ถามพ่อแม่โมโกรธมัาาากควรจะเป็นทุกข์แทนเครื่องที่ช่วยเหลือใครบางคนแล้วเขาก็ไม่มาสำนึกบุญคุณนะถึงกับขั้นอาฆาตพยาบาทไม่ครบตัดญาติขาดนิ้กันเลยทีเดียวยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวของผู้คนจำนวนมาก ต่ตอนที่เกิดเรื่องมันก็คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปสิบปีสิบปีสามสิบปีมามองย้อนไปนี่ก็รู้สึกว่าโอ้มันเป็นเรื่องจิตจอยมากแต่ความที่ไปโมโหโกรธทาวิงหงุดหงิด ในแค้นเคืองมันก็ทำให้ช่วงเวลาดีๆของชีวิตมันก็หายไปตอนหน้าจะรู้สึกสเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแต่พอถอยหลังกลับไปผ่านไปหลายปีมันก็เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าในความความหลงหรือว่าความเพล้นเลอมันก็ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่กินไม่ได้นอนไม่หลับ ขับแค้นพยาบาทแล้วก็นำไปสู่การทะเบอกแว้งขัดแย้งกันเกิดผลเสียตามมามากมายและอีกข้อหนึ่งเนี่ยที่ก็ถามว่าเนี่ยเมื่อย้อนเวลากลับไปได้หรือเมื่อมองย้อนไปในอดีตอะไรที่อยากจะทำมากขึ้นก็แปลงนั่นหลายคนก็หรือว่าส่วนใหญ่แล้วก็ว่าจะอยากจะให้เวลามีเวลาให้กับลูกมีเวลาให้กับ พ่อแม่มีเวลากับคู้ครองคนรักที่พูดอย่างนี้เพราะ ว, าว่าเพราะว่าการที่ตัวเองให้เวลาน้อยไปนี่มันไปสร้างบาดแผลสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเพราะว่าพอให้เวลาลูกน้อยลูกก็มีปัญหามีความทุกข์มีความกุ้มใจแล้วปรึกษาใครไม่ได้ พ่อกลเป็นเพ่ก็ซึมเศร้าบางทีฆ่าตัวตายหรือว่าบางทีเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่เ้าตายอแบบปุบ ป, ปับกระทันทานเพราะอุบัติเหตุหรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เสียใจนะที่ไม่มีอะไรว่าเขามากพออันนี้ก็ลงถึงพ่อแม่ด้วยนะอเสียใจที่ไม่มีอะไรกับพ่อแม่มากเท่าที่ควร ส่วยยนใหญ่มารู้ก็มารู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดก็ต่อเมื่อคนเหล่านั้นเขาตายไปแล้วหรือว่าเมียนเป็นไปเช่นกกษษเป็นโรควิกลจริตหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้ารือเยอะยืดเยอะรื้อหลังอันนี้ก็เลยพบว่าย่งถ้าเราให้เวลากับเขามากกว่านี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มันคงจะไม่หลงเอยแบบนี้หรือว่าเราคงจะทำอะไรได้ดีกว่านี้ที่จริงอันนี้นมันก็เป็นเป็นข้อสรุปนะหรือความเห็นรวมๆนะของผู้เฒ่านะในประเทศอเมริกาแต่ว่าในเมืองไทยนะผู้เฒ่าผู้ชาราอายุแปดสิบกว่า โดยเพราะที่อยู่ในเมืองเนี่ยถ้าย้อนอยู่ทบทวนอดีตที่ผ่านมาก็คงจะมีความเห็นคล้ายๆกันอยากจะหดหดหัวเสียโมโหกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้น้อยลงและมีเวลาให้กับคนที่มีความสําคัญในชีวิตของเราให้มากขึ้นที่จริงเรื่องนี้เนี่ย คนเราตอนที่มันเจอเหตุการณ์มีการกระทบกันเนี่ยเช่นถูกเพื่อนเพื่อนรวม ง, งานวิภาควิจารณ์หรือว่าเจอเพื่อนบ้านส่งเสียงดังเปิดเพลงดังในตอนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นสดสดใหม่ๆเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็รับส่วมเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากนะ ถ้าเกิดมีความโกรธมีความโมโหมีความแค้นเคืองเนี่มันจะรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่มากเลยแล้วมันยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ในที่นี้ไม่ได้ไหมายความเพียงแค่ว่านิ่งเงียบไม่ตอบโต้ไม่โวยวายแต่รวมถึงว่าไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเลยมันเก็บเอามาคิดแล้วก็ คิดแล้วคิดอีกแล้วคนที่ทุกข์ก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเองนั่นแหละที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนอื่นเนี่ยมันมันเล็กน้อยนะมันเป็นธรรมดาของชีวิตก็ว่าได้มันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตแต่พอไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเก็บเอามาคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าอ้างถึงขั้นว่านี้ ยอมไม่ได้นะมันต้องแลกกันต้องด่านะหรือว่าต้องมีการกระทบกระทั่งกันตอบโต้กันแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันถึงได้คิดนะว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยให้เราไปเป็นบ้าเป็นหลังกับเรื่องนี้ได้อย่างไรเอารวมแล้วก็ตามเนี่ยนะ ตอที่มันเกิดขึ้นส ด, ส ด, สดใหม่ๆไม่ว่าเรื่องใดก็าตามเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยนยแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันมันก็เป็นตัวขยายนะในความรู้สึกก็กลายปเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอันนี้ที่ยอมไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้วิจิตรีจะต้องแก้แค้นตอบโต้แล้วก็เป็นเป็นธรรมดาทุกอารมณ์เนี่ยพอเวลามันผ่านไปอารมณ์มันก็ค่อยๆจืดจางลง ผ่านไป1ปีสองปีสิปี20ปีเนี่ยพอเรามันจืดจางลงนะมันก็เริ่มจะได้สติแล้วมันก็เลยเห็นว่าโอ้มันเป็นเรื่องเล็กเนี่ยทำไมาเราเป็นบ้าเป็นหลังกับมันได้ทําไมาเราเป็นเอาตายกับมันหรือส่วนนึ่งก็เกิดจากการที่พอถอยหลังออกมาหรือพอมองจากระยะไกลมันก็จะเห็น เห็นภาพรวมเมื่อต้นไม้เนี่ยต้นไม้ถ้ามันอยู่ข้างหน้าเรามันก็เป็นต้นใหญ่นะแต่พอเราอยู่ห่างต้นไม้นี่ถอยหลังออกมาสักหน่อยเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ใช่แค่มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเขามันมีส่วนประกอบส่วนอื่นเข้ามามันเกิดการตระหนักได้ว่า อะไรเป็นเรื่องใหญ่อะไรเป็นเรื่องเล็กพอเวลาผ่านไปเราจรึงรู้ว่าเนี่ยไอ้เรื่องที่เราทุกข์ระทมโมโหมันไม่ได้เรื่องใหญ่เรื่องโตจริงๆไม่ต้องรอให้แก่80นะถึงมาค่อยมองเห็นว่าเราไปทุกเราไปเสียเวลาหรือว่าปล่อยให้ช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตมันหมดไปกับความทุกข์ เพราะเรื่องเล็กน้อยถึงแม้จะอายุ30มสิบี่สิเนี่ยเวลามองย้อนกลับไปยังอดีตมันก็เห็นได้เหมือนกันนะว่าตอนที่เราเป็นเด็กนี่มันเราไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าไปเป็นทุกข์กับเรื่องที่มันจิ๊บจอยอย่างบางคนนี่ก็ตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นทุกข์มากเครียดมากแนละ้วกับการมีสิวจะเป็นจะตายให้ได้นะเพราะรู้สึกอับอายขายหน้าที่เรามีสิวหรือบางคนก็รู้สึก เครียดมากู้สึกแย่กับตัวเองที่อ้วนที่จริงก็ไม่ได้อ้วนมากแค่ท้วมหรือว่ารู้สึกเสียหน้าอับอายนะกับการที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ได้สวยไม่ใช่ไม่ใช้สินค้าแบรนด์เนมเหมือนเพื่อนๆรู้สึกแย่มากกับตัวเองบางทีอยากจะกระโดดลงน้ำไปเลยทีเดียวนะเพราะอับอาย หรือว่ารู้สึกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจแม่ที่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้หรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะไม่ซื้อรองเท้าคู่หใหม่ให้น้อยใจแม่บางทีอยากจะคิดคิดอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็มีอันนี้คือช่วงเวลาที่เราในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจริงเป็นจังมาก แต่พอเราโตขึ้นหรือมีอายุมากขึ้นเราก็พบว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าเราได้มองจากระยะไกลพอมองจากระยะไกลก็เห็นเลยนะว่าในสิ่งที่เกียบเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่แท้มันเป็นเรื่องเล็กเล็กเท่านั้นเองมีอะไรที่สำคัญกว่าชิสำคัญกับชีวิตมากกว่านั้นมีเรื่องใหญ่เรื่องคอขาดบาดตาอีกหลายอย่าง ที่เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้มันเทียบไม่ได้อันนี้จะได้เป็นประสบการณ์ชีวิตก็ได้หรืออาจจะเป็นพ่อะเราวางระยะห่างมีระยะห่างกับเรื่องที่เกิดกับอารมณ์ที่เกิดซึ่งถ้าเกิดว่าเรารู้จักสรุปทบทวนนะว่าไอ้เรื่องใหญ่เรื่องโตหลายเรื่องที่เราเคยจะเป็นจะตายกับมันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเล็กมาก มันก็น่าจะเป็นข้อเตือนใจเรานะถึงแม้เราในยามที่เรามีอายุปานนี้แล้วบางทีมันจะมีเรื่องหลายเรื่องนะที่ทำให้เราสึกเป็นทุกข์มากเลยไม่อาจะเป็นความโกรธไม่เป็นความแค้นไม่เป็นความน้อยเนื้อต่าใจหรือความรู้สึกผิดหรือความเครียดความวิตกกังวล ประสบการชีวิตที่ผ่านมานี่มันน่าจะเตือนใจแล้วว่าบางทีไอ้เรื่องที่เราเป็นทุกข์จะเป็นจะตายวันนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรเมื่อเวลาผ่านไปใออารมณ์ที่มันดูเหมือนครอบ ง, งามจิตใจเผาลนใจจนกระทั่งทุรนทุราย หรือว่าเรื่องที่มันหนักอกหนักใจจนเงินจนรู้สึกจะกินไม่ได้นอนไม่หลับพอเวลามันผ่านไปมันค่อยๆจืดจางลงจืดจางลงความเศร้าก็เหมือนกันพอเวลาผ่านไปแม้บางเรื่องบางอย่างมันจะเศร้ามากนะแต่บางทีพอเวลาไม่ใช่บางทีอบ่อยครั้งเลยพอเวลาผ่านไปผ่านไปอารมณ์นั่นก็จืดจาง พอมาจืดจ้างเราก็เลยเริ่มได้สติแล้วก็รู้ว่าที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเวลามันช่วยคลี่คลายได้แต่จริงเราไม่ต้องรอให้เวลามันช่วยทําให้อารมณ์ต่างๆมันคลี่คลายแล้วก็เรื่องเรื่องที่เคย เ, คยเื่อเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตที่แท้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย เราไม่ต้องรอให้เวลาผ่านไปนานก็ได้นะถ้าเรารู้จักถอนจิตออกมาจากเหตุการณ์หลอนนั้นออกมาเป็นผู้เห็นนะออกมาเป็นผู้ดูดูตัวเองดูเหตุการณ์หรือดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ช่วยทำให้เห็นแล้วนะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายหรือใหญ่โตอะไรเลยไออารมณ์พวกนี้ แต่ตอนที่เราไม่ถอยออกมาดูหรือไม่ออกมาเป็นผู้เห็นเนี่ยนะมันจะหรือเาแต่เ็าไปเป็นผู้เป็นเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยอมไม่ได้หรือว่าจะอยู่ไม่ไหวแล้วถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ฉันจะทนอยู่ได้ยังไงกับความเศร้าที่มันเกิดขึ้นกับความน้อยเนื้อต่ำใจที่มันถาถมเข้ามา นั่นเพราะว่าเราเข้าไปเป็นแล้วแต่พอเราถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้เห็นนะมันก็จะรู้ว่าเนี่ยอารมณ์พวกนี่มันไม่ได้มีอํานาจมากเท่าไหร่บางทีมันมีความอยากบางอย่างอย า, อยากได้อยากได้อยากได้ถ้าไม่ได้นี่ฉันตายแน่แต่พอเวลาผ่านไปนะไม่กี่วันนะไอความอยากได้มันหายไปซะแล้วหรือไม่ใช่นั้นเนี่ย พอเราตั้งสติมาดูมันไอความอยากที่มันเคยเรียกว่ารุนแรงเชี่ยวกรางนี่มันมันกลับกลายเป็นแถวเบาแล้วก็เอื่อยเฉยไปเลยย่งมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุสิบสองสิบสามเลิกเรียนแล้วนี่ไปเห็นของเล่นในร้าน อยากได้มากกลับไปถึงบ้านก็รบเรา้าไว้ให้แม่ซื้อขอเงินแม่แม่แทนที่จะให้เพราะทนรำคาญไม่ได้หรือแทนที่จะยืนการปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยนะกลับบอกลูกว่าเนี่ยลูกจะซื้อก็ได้นะ แต่ว่ามือเงินขายอยู่2ข้อนะคือ1แม่จะหักเงินลูกค่าอาหารค่าขนมเนี่ยวันละครึ่งหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์และสให้ลูกเนี่ยกลับไปที่ร้านทุกวันเลิกเรียนแล้วไปดูของชิ้นนั้นแล้วก็ดูสังแล้วก็ดูดูสังเกตความอยากไปด้วยนะดูของดูความอยากให้ทําเนี่ยทุกวันหนึ่งอาทิตย์ ครบลานี่พรแม่จ ะ, จะให้เงินหนูไปซื้อของเล่นชิ้นนั้นไอเด็กก็ดีใจนะทาตามทุกเย็นนี่ก็ไปดูของแล้วก็สังเกตดูความรู้สึกความอยากทำไปได้3วันวันที่4ี่บอกแม่แล้วกลับไปบอกแม่บอกแม่หนูไม่เอาแลวเอาทำไมล่ะไม่อยากได้แล้วเสียดายเงิน เอาเงินไปซื้ออื่นดีกว่าไอ้ความอยากนี่มันหายไปเลยนะไอ้ไม่เหมือนกับวันแรกวันแรกโอ้ไม่ถ้าไม่ได้นี่ไม่ยอมเลยมแม่ก็รู้นะว่าเป็นเหมือนกับ น, น้ำเชี่ยวขวางเรือมันก็ไม่ได้นะแต่ว่าการที่จะให้เด็กเนี่ยสนองความอยากทันทีก็ให้รอสักหน่อยนะเพราะถ้าเวลาผ่านไป หนึ่งอาทิตย์เนี่ยความหยามธรรมชาติของมันเนี่ยมันก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงแต่ในกันเข้าไปดูสังเกตความหยามเห็นความหยามเนี่ยความหยามมันก็ค่อยหมดพิษสงลงสิ่งที่ม่บอกลูกเนี่ยไม่ได้บอกให้ลูกให้มีสติดูความหยามแต่ว่าให้แค่สังเกตมันเฉยๆแต่ว่า พอเด็กทําแล้วก็ในสติที่มาเป็นผู้ดูนั่นแหละนะที่ทําให้ความอยากมันทุนเ่เราเพราะฉะนั้นในเวลาเราคนเรามัมีอารมณ์อะไรที่มันพรุ่งพร่านด้วยความโกรธหรือว่าหนักอกหนักใจหรือความเครียดความวิตกกงังวลหรือความเศร้าให้ลองบอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็มันก็จะจืดจางลงแต่ที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตข้อขาดบาดตายยอมไม่ได้นี่ พอเวลาผ่านไปก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยและจริงเราไม่ต้องรอให้แก่ก่อนนั้นถึงค่อยมาค่อยมารู้ว่าชีวที่ผ่านมาเราควรทาอะไรให้น้อยลงหรือทําอะไรให้มากขึ้นในขณะที่เรายังหนุ่มยังสาวนี่ถ้าเรารู้จักไตรตรองมองชีวิตเนี่ยมันก็จะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําที่จริงเนี่ย ที่คนแก่หลายคนบอกว่าเนี่ยพอมองย้อนกลับไปจึงรู้ว่าอะไรควรทำให้น้อยลงอะไรควรทำให้มากขึ้นที่จริงมันรู้มาตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเช่นรู้ว่าูควรจะสูบบุหรี่ให้น้อยลงกินเล่นให้น้อยลงออกกำลังกายให้มากขึ้นไม่ต้องรอแก่แล้วถึงค่อยรู้ว่ามันควรทำให้น้อยลงมันรู้มาก่อนแล้วแต่ไม่ทา เพราะว่าอาจจะเพลินไปกับสิ่งอื่นหรือรู้ว่าเนี่ยควรจะให้เวลากับคนรักคนที่สำคัญในชีวิตมากขึ้นแต่ว่าไม่ทำเพราะผัดผ่อนเพราะคิดว่าเพราะมันมีอย่างอื่นน่าทำมากกว่าเรื่อหลงอยู่ใ น, นความอยากชั่วครูช่วยามแล้วก็หลงองความประมาทอยู่แต่ถ้าเกิดคนเรามีสตินะ มีสติไม่ปล่อยให้ใจมันไหลไปตามสิ่งร่อเราเย้ายวนจนลืมทำสิ่งที่สมควรทำหรือว่าไม่ปล่อยใจให้ไปเพลินอยู่กับสิ่งที่ควรจะทำให้น้อยลงเราก็จะสามารถทำสิ่งที่ดีๆตั้งแต่ตอนนั้นเลยอะไรที่ควรทำให้น้อยลงก็ทำแต่ตั้งแต่ตอนนั้นอะไรที่ควรใช้ามากขึ้นก็ทำแต่ตอนนั้นคือตอนที่ยังหนุ่มยังสาวตอนที่ยัง มีกำลังวังชาตอนที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยตอนที่ยังไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นรวมทั้งเวลามันมีความโกรธความโมโหกับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่ปล่อยให้มันคร่อบ ง, งําใจจกนกระทั่งเผลอทําในสิ่งที่ต้องมาเสียใจภายหลังหรือเกิดผลเสียตามมาสติมันช่วยนะให้เราไปเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับอารมณ์ต่างๆหรือกับเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น มันเป็นตัวยั้งนะไม่ให้ไปหมดเนื้อหมดตัวไปกับอารมณ์จนกระต้องมาเสียใจเมื่ออายุมากขึ้นว่าเราไม่น่าเลยแต่เดียวกันมันก็ทําให้เราไม่ไปเพลินกับสิ่งต่างๆจนลืมทําสิ่งที่ควรควรทำงั้นเพราะถ้าเราไม่อยากจะเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการครองตัวให้มีสติเนี่ยสำคัญมาก เราจะนอกจากเราจะรู้ว่าอะไรควรทำให้น้อยลงอะไรควรทำให้มากขึ้นแล้วเราสามารถจะลงมือทำได้ไม่ใช่รู้แต่ไม่ทำเพราะว่ายัางเพลินอยู่กับอะไรหลายงหลายอย่างอย่างที่ก็พูดว่าเนี่ยดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้ไอ้ที่อดใจไม่ได้นี่เพราะอะไรเพราะไม่มีสติแต่ถ้ามีสติแล้วมันอดใจได้อะไรที่ควรทำให้น้อยลงก็ทำได้อะไรที่ควรทำให้มากขึ้นก็ทำได้ แล้วก็ทำตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวไม่ใช่ว่ามาเสีย อ, อกเสียใจตอนที่แกแล้ว